ข้อ11ในคำว่าเอกมันตังทีตาโคซ่าเป็นต้นนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ในอัตถกถาพระอัตถกถาจาร์กล่าวไว้ว่าบทว่ากทายะความว่าด้วยคำพูดที่กล่าวนิยมอัครบทในคำว่าอัครประดังนั้นความว่า อักษรในบทกล่าวคือบาทชื่อว่าอัครบทดังนี้จึงจะถูกจึงอย่างนั้นในประการฉันทวุติปทีบท่านกล่าวไว้ว่าการนิยมแม้อักษรในบาทหนึ่งชื่อว่าฉันทลักษณะส่วนการนิยมครุและละหุในสีบาทชื่อว่าพฤธิลักษณะ อีกอย่างหนึ่งความว่าบทคืออักษรชื่อว่าอักษรบทดังนี้ก็ใช้ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สันทิพาละวะตาลว่าการนิยมอักษรพึงชื่อว่าฉันการนิยมครุและละหุพึงชื่อว่าพฤษ และเพราะท่านกล่าวไว้ในดีกาแห่งคัมภีร์สันธิภาละวะตานนั้นว่าการนิยมคือวิธีวิเศษอันท่านกำหนดด้วยอักษรเหล่านี้คือยะระตะพะยะสัมะนะกล่าวคือยะเช ม, มานะระวิโตยะภูมิเจรณะนะ โซมะมารุตะและนพะ้พระพึงชื่อว่าฉันเพราะวิเคราะห์ว่าปิดเสียงซึ่งโทษการนิยมด้วยครุและละหุทั้งหลายพึงชื่อว่าพลดเพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันท่านกล่าวก็คณะแปดยอมได้ชื่อมียะคณะเป็นต้น โดยสามารถเหงอักษรแปดเหล่าใดอัรแปดเหล่านั้นแลมียะอักษรเป็นต้นท่านถือเอาแล้วด้วยอักขรศัพท์ในบทว่าอักขระประดังนี้บรรดาการนิยมสองอย่างนั้นการนิยมอักษรได้ในวนรรณพฤษและในวนรรณพฤษนั้นมะคณะมีครุสาม ณคณะมีละหุสาส่วนการนิยมครุและละหุได้ในมาตราพฤษและในมาตราพฤษนั้นมะคณะมีครุสองณคณะมีละหุสส่วนคณะทั้งหลายที่เหลือในพฤษทั้งสองเป็นเช่นเดียวกันแล